มีสติรู้ตื่นอยู่เฝ้าดูจิตทีนี้เรามาทําจิตของเราให้เป็นผู้รู้ตื่นอยู่คอยรักษาจิตของเราอยู่ถ้าแขกมาเมื่อไรโบกมือห้ามมันจะมานั่งที่ไหนมีที่นี่นั่งที่เดียวเท่านั้นเราก็พยายามรับแขกอยู่ตรงนี้ตลอดวันนี่คือพุทโธตัวตั้งมั่นอยู่ นี่ทำความรู้นี่ไว้จะได้รักษาจิตเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วแขกที่เคยมาเยี่ยมเราตั้งแต่เราเกิดตัวเล็กๆโน่นมาที่ไรก็มาที่นี่หมดเราจึงรู้จักมันหมดเลยพุโทโธอยู่คนเดียวพูดถึงอาคารตุ ก, กะแขกที่จอยมาปรุงมาแต่งต่างๆนานาให้เราเป็นไปตามเรื่องของมันอาการของจิตที่เป็นไปตามเรื่องของมันนี่แหละ เรียกว่าเจตสิกมันจะเป็นอะไรจะไปไหนก็ช่างมันให้เรารู้จักอาคารตุกกะที่มาพักที่รับแขกมีเก้าอี้โตเดียวเท่านี้เองเราเอาผู้หนึ่งไปนั่งไว้แล้วมันก็ไม่มีที่นั่งมันมาที่นี่มันก็จะมาพูดกับเรารังนี้ไม่ได้นั่งรังต่อไปก็จะมาอีกมาเมื่อไรก็พบแต่ผู้นี้นั่งอยู่ ไม่หนีสักทีมันจะทนมากี่ครั้งเพียงพูดกันอยู่ที่นั่นเราก็จะรู้จักหมดทุกคนพวกที่ตั้งแต่เรารู้เดียงสาโนนมันจะมาเยี่ยมเราหมดนั่นแหละเพียงเท่านี้อัตมาว่าธรร ม, มะนั้นดูตรงนี้ก็เห็นไปหมดได้พูดได้ดูได้พิจารณาอยู่คนเดียว พูดธรรมะก็อย่างนี้ลหละอาตมาพูดอย่างอื่นไม่เป็นพูดก็พูดไปอย่างนี้ทำนองนี้นี่ก็เป็นแต่เพียงพูดให้ฟังเท่านั้นทีนี้ให้ไปทำดูถ้าไปทำมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมีหนทางบอกถ้ามันเป็นอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นก็ไปทำดูอีกถ้าไปทำดูอีกมันเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ต้องแก้โน่นละ่ะ จึงจะมีที่บอกในเมื่อเดินสายเดียวกันมันต้องเป็นในจิตท่านมาหาแน่นอนถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องเกิดขัดข้องขัดข้องก็ต้องจี้จุดเมื่อพูดตรงนี้มันไปถูกจิตท่านมาหามันก็รู้จักแก้ถ้ามันติดอีกท่านผู้แนะนําก็จะบอกเพราะตรงนี้ท่านก็เคยติดมาแล้วก็ต้องแก้อย่างนั้นเมื่อรู้เรื่องกันก็พูดกันได้ เช่นเดียวกับอารมณ์คือเสียงได้ยินเป็นอย่างหนึ่งเสียงเป็นอย่างหนึ่งเรารับทราบไว้ไม่มีอะไรเราอาศัยธรรมชาติอย่างนี้แหละมาพิจารณาหาความจริงจนใจมันแยกของมันเองพูดง่ายๆก็คือมันไม่เอาใจใส่เองมันจึงเป็นอย่างนั้นได้เมื่อหูได้ยินเสียง ดัจิตของเรามันพัวพันไปตามไหมมันรำคาญไหมเท่านี้เราก็รู้ได้ยินอยู่แต่ไม่รำคาญฉันอยู่ที่นี่เอากันใกล้ๆมิได้เอาไกลจะหนีจากเสียงนั้นหนีไม่ได้หรอกต้องหนีวิธีนี้จึงจะหนีได้โดยเราฝึกจิตของเราจนมั่นอยู่ในสิ่งนี้วางสิ่งเหล่านั้น สิ่งที่วางแล้วนั้นก็ยังได้ยินอยู่ได้ยินอยู่แต่ก็วางอยู่เพราะสิ่งเหล่านั้นถูกวางอยู่แล้วไม่ใช่จะไปบังคับให้มันแยกมันแยกเองโดยอัตโนมัติเพราะการละการวางจะอยากให้มันไปตามเสียงนั้นมันก็ไม่ไป เมื่อเรารู้ถึงรูปเสียงกลิ่นรถทั้งหลายเหล่านี้ตามเป็นจริงแล้วเห็นชัดอยู่ในดวงจิตของเราว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสามั ญ, ญลักษณะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาหมดทั้งนั้นเมื่อได้ยินครั้งใดก็เป็นสามั ญ, ญลักษณะอยู่ในใจเวลาอารมณ์ทั้งหลายมากระทบได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินนั้นไม่ใช่จิตของเราจะไม่มีการงาน สติกับจิตผัพวพันคุ้มครองกันอยู่ตลอดการตลอดเวลาถ้าท่านมหาธรรมจิตให้ถึงอันนี้แล้วถึงจะเดินไปทางไหนมันก็ค้นคว้าอยู่นี่เป็นธรรมวิจัยหลักของโพ่ชงเท่านั้นเองมันหมุนเวียนพูดกับตัวเองแก้ปลดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีอะไรจะมาใกล้มันได้มันมีงานทำของมันเอง